ส่วนจิตตะชรูป่บทวนอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมะชรูปอะไรบ้างตาหูจมกูกเลนกายอัตยะภาวะชีวิตเป็นต้นะนะเนพวกนี้กลุ่มกรรมตะชรูปถ้าจิตตชรูปจิตตะชรูปนั้นวิธีแบ่งเขาบอกแบ่งโดยเช่นย่อๆเลยคือโดยเวทนา สุขเวทนานี่ก็อย่างหนึ่งทุกเวทนาก็อย่างหนึ่งอย่างเช่นยืนเดินนั่งนอนที่เกิดจากสุขเวทนานะก็ถือว่าหนึ่งสันตติยืนเดินนั่งนอนที่เกิดจากทุกเวทนาก็ชื่อว่าหนึ่งสันตติเนี่ยนะเอาแบบสุขแบบทุกขันนะร่างกายของเราเนี่ยตอนที่มีความทุกข์ก็ถือว่าหนึ่งสันตติตอนที่มีความสุขก็หนึ่งสันตติอย่างละสันตติเฉพาะส่วนที่เป็นจิตตะชุก ถ้าละเอียดไปกว่านั้นอีกรูปที่เกิดจากแต่ละวิถีเช่นมณสิการทาวานตานะรูปที่เกิดจากทาวานตาทั้งหมดหรือทาวานหูทาวานจมูกทาวานลิ้นทาวานกาเนี่ยนะก็เราแบ่งตามทาวานเลยรูปที่เกิดจากทาวานนั้นๆอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือโดยอารมณ์จิตตะชูปนะผู้ที่นั่งฟังธรรมยาวได้ทั้งวันเนี่ยนะก็ถือว่าหนึ่งสมุทฐานอ น, น, นหนึ่งจิตตชรูดนะ หรือเข้าสมาบัติอยู่วันหนึ่งก็ถือว่าหนึ่งหนึ่งสันตตินะเข้าสมาบัติทั้งวันหรือนั่งเจ็ดวันก็ตามเนี่ยโดยสมาบัติลายสมาบัติหนึ่งก็เชื่อว่าหนึ่งสันตติอันนี้เรียกว่าโดยจิตตชรูปเปุ้นในหนึ่งก็ตอนหัวเราะก็รูปอย่างหนึ่งตอนร้องไห้ก็รูปอย่างหนึ่งนะตอนดีใจก็รูปอย่างหนึ่งตอนเสียใจก็อีกร่างคนรูปคนลรูปไปส่วนอุตุชรูปก็แบ่งเป็นอุตภายนอกกับ อุตุภายในถ้าอุตุภายในแหละตอนที่รู้สึกร้อนกับตอนที่รู้สึกเย็นเนี่ยนะในร่างกายก็ถือว่าคนละสันติถ้าเป็นภายนอกละ่ะเรียกว่าตอนอยู่ในแดดก็อย่างหนึ่งตอนอยู่ในร่มก็อย่างหนึ่งเป็นต้นเนนะก็อันนี้เป็นอุตุภายนอกส่วนอาหารอาหารหนึ่งมื้อให้กี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่ะน ะ, <ส>ะก็เติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยอย่างนี้ก็ถือว่าแต่ละมื้อก็แต่ละแต่ละ สันตติเพราะฉะนั้นถ้ากรรมไม่รูปต้องว่าไปตามขออภัยนะถ้ารูปว่าไปตามสมุทฐานนั้นเช่นกรร ม, มสมุทฐานจิตตสมุทฐานอุตตสมุทฐานและอาหารสมุทฐานคนนี้ก็ชื่อว่าคนละสันตติที่เป็นรูปส่วนสันตติที่เป็นนามสันตติที่เป็นนามเช่นว่าเอาโดยเวทนาอย่างหนึ่ง โดยคุณคือศรัทธาเป็นต้นอย่างหนึ่งโดยอารมณ์ในอย่างหนึ่งถ้าโดยเวทนาเช่นว่าขณะที่โสมนัตเวทนาเกิดนะก็ถือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสันตติของนามเลยนะเช่นโสมนัติเวทนาก็ชื่อว่าหนึ่งสันตติของนามทุกเวทนาก็ถือว่าหนึ่งสันตนนนติของนามหรือขณะที่ศรัทธาสืบเนื่องก็ชื่อว่าหนึ่ง สันตติหรือแต่ละอารมณ์ก็ได้นะมณสิกามทีละอารมณ์ทีละอาร ม, ร, รมณ์ก็ชื่อว่าทีละสันตติของนามไปแล้ว่าคิดหนึ่งตตเรื่องก็ถือว่าหนึ่งกลุ่มความคิดนะนะีคิดสองเรื่องก็สองกลุ่มความคิดสามเรื่องสี่เรื่องก็ว่าไปตามนี้นก็ชื่อว่าสันตติของนามหรือโดยวิถีก็ได้นะจิตในจักรคูทวารวิถีก็กลุ่มหนึ่งโสตาทวารวิถีก็อย่างหนึ่งคานะชิวหากายะก็แบ่งกลุ่มโดยเวทนาโดยคุณในะศรัทธาคุณโดยอารมณ์โดยวัตถุ โดยทวารก็แบ่งไปตามนี้เอานั้นผู้ที่สามารถวินิจฉัยอย่างนี้เรียกว่ารูา้ปัจจุบันโดยอัตตาก็ขอบไปโดยสันตติของนามกับรูปก่อนหน้านั้นเป็นอดีตถัดจากนั้นหลังจากนั้นเป็นอนาคตแต่ผู้ที่เจริญตีรณะปริญญาหรือสัมมสัยานเนี่ยนะต้องพิจารณาทั้งโดยอัตตาโดยสันตติและ ภาวาให้เต็มก็โดยขณะด้วยโดยบริบูรณ์เต็มเปี่ยมเลยนะก็โดยขณะดด้วยโดยสมัยโดยสมัยก็ย่อย่อเกี่ยวกับเรื่องอาาัตาคือในส่วนของปัจจุบันเนี่ยนะจะแยกมาอย่างไงถ้าโดยลำดับถ้าพิจารณาโดยลำดับก็คือว่ารูปขันห้าว่าเยอ่ยอนนะขันห้าที่เป็นอดีตของอดีตชาตินะสิ้นไปแล้วใน อดีตชาติเสื่อมไปแล้วในอดีตชาติหมดไปแล้วในอดีตชาติขันท่าที่เป็นอนาคตชาติก็จักหมดในอนาคตชาติจะไม่เลยไปอีกหรอกถึงจะมีอนาคตชาติอีกไหยมันก็อยู่ในเฉพาะชาตินั้นๆมันก็ไม่มีถัดไปถัดไปถัดไปเลยไปกว่านั้นอีกก็จะสิ้นไปในชาตินั้นๆไปนะของปัจจุบันชาติก็จะสิ้นไปในปัจจุบันชาติทีนี้ปัจจุบันชาติก็มาแบ่งแบบตามวัย เอาเก้าสิบปีก็ทีละสามสิบปีเห็นไหมถ้ามีอายุเก้าสิบปีเลยนะอันนี้คิดง่ายหน่อยเห็นมสามสิบปีแรกก็หมดไปในสามสิบปีแรกไม่ถึงสามสิบปีที่สองสามสิบปีที่สองก็ไม่ถึงสามสิบปีที่ส<ๆ>ามเห็นะหมก็แทกเลยสามสิบปีที่สามไปแล้วนะโอ้ลาบากมากแล้วละ่ะท่านบอกว่าป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายทีนี้ถ้าย่อไม่อี ก, ก็ทุกกี่ปีดีเช่นทุกทุก สิบปีอย่างเงี้นะทุกๆสิบปีก็แบ่งไปอันสิบปีหนึ่งสิปี nou, แรกก็ไม่ถึงสิปีที่สองสิปีที่สองก็ไม่ถึงสิปีที่สามถ้าส ม, สมัยนี้แบ่งง่ายนะแบ่งตอนที่ยังไม่เข้าอนุบาลก็ช่วงแรกช่วงเข้าอนุบาลช่วงเข้าประถมช่วงเข้ามัธยมช่วงเข้าม ah ai, หาลัยมหาลัยก็แบ่งเป็นขั้นๆก็ ว, ว่าไปตามนั้นไปอันชีวิตก็ถือว่าหมดแล้วขณะนั้นขณะนั้นขณะนั้นอันชีวิตที่ผ่านมานะที่เรามานั่งกันอยู่นี่ชีวิตที่ผ่านมา ต่างอะไรจากความฝันบ้างมันก็ถือว่าหมดแล้วสิ้นแล้วไม่เหลือแล้วแม้แต่ขณะที่เราสนทนาทำกันนะอีกสองชั่วโมงข้างหน้าจะเหมือนฝันเลยตรงนี้นะจะเหมือนฝันแล้วชีวิตจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยเๆื่อเรืยเยนเนี่ยนะเพรา ะ, ะชีวิตในอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตอันนี้ก็แบ่งมาโดยทุกๆุ0สิบปีหรือทุกๆุห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีหรือทุกๆุฤดูกาล เนไหมดูหนาหรือดูร้อนหรือดูฝนเนี่ยนะก็หมดไปทุกๆฤดูนั่นแหละแล้วก็หมดไปทุกข้างขึ้นข้างแรงนะทุกๆสิบห้าวันหรือจะว่าตรงก็หมดไปทุกๆวันนั่นแหละแล้วก็ว่าให้ละเอียดลงไปอีกช่วงเช้าก็ไม่ถึงช่วงสายช่วงสายก็ไม่ถึงช่วงกลางวันกลางวันก็ไม่ถึงบ่ายบ่ายก็ไม่ถึงค่ําค่ําก็ไม่ถึงปฐมยามปฐมยามก็ไม่ถึงมชิมยามมชิมยามก็ไม่ถึงปชิมยามก็ไล่อย่างนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงมา เข้ารู้ตำราในสันตติต่อไปคือพวกนี้จะสัมพันธ์กันทั้งหมดเมื่อเข้าใจอัตตาดีจะเข้าใจสมัยด้วยถ้าเข้าใจสมัยจะรู้จักสันตติถ้ารู้จักสันตติจะเข้าใจถึงโดยขณะแต่โดยขณะอย่างไรเสียนะต้องสาวมาหาสัน ต, ติให้ได้ถ้าสาวมาหาสันตติไม่ได้เราจะไม่รู้สมุทฐา น, น, นก็ใช้อยคามเดียวว่าอุปาทิีติพังคะ ก, ก็รู้เท่านั้นถ้ารู้เท่านั้นถามว่าพอไหม พอไม่ที่จะเบื่อหน่ายก็ไม่พอฮัน้นการพิจารณาอย่างนี้จะต้องสอบสวนมากครั้งแลว้วครั้งเล่าะนะพิจารณามากมากจริงๆอะนะเพียงพอที่จะว่าไม่ไม่เพ้อถึงอดีตไม่ฝันถึงอนาคตเนี่นะไม่หวังอนาคตแล้วก็เบื่อหน่ายในขันปัจจุบันเต็มทีไม่ใช่โทสะนะวิปัสสนานี่ก็แปลกนะเบื่อหน่ายในขันแต่ไม่ได้มีโทสะนะแต่ถามว่าคนที่เบื่อหน่ายในขันเนี่ยเขาอยู่ด้วย ชีวิตที่อับเฉาหรือว่าปีติโสมนัสก็บอกว่าอยู่ด้วยปีติโสมนัสเขาก็มีกลุ่มที่เบื่อนายแบบโทศะเข้ามาแทรก น, นะคนด้วยคนนี้พิธานจริงก็ไม่ใช่ดันพวกนี้เป็นฐานเป็นอย่างดีว่าอย่างอาดีตก็สิ้นแล้วนอดีตไม่ถึงปัจจุบันขันปัจจุบันก็ไม่ถึงอนาคตขันภายในก็ไม่ถึงภายนอกขันอยากก็ไม่ถึงละเอียดเป็นต้นเนี่ยนะการไล่พิจารณาเป็นหมวดหมู่กลุ่มกองอย่างนี้เรียกว่า กลาปะสัมมัสะนะพิจารณาโดยความเป็นกลาบเพราะฉะนั้นคำว่ากลาบไม่ใช่เน้นแบบกลาบรูปธรรมดาถ้ากลาบรูปธรรมดาพิจารณาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเบื้องต้นแล้วช่ไหมว่าผมมีกี่รูปอย่างเั้นะผมมีกี่รูปผมตรงไหนสี่สิบสี่รูปกางข้างไหนผมเลยนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าพน้นโคนผมแล้วเท่าไหร่ก็แปดรูปนะ จนพอคนที่พิจารณาจะรู้เองว่าเราควรอย่างละเอียดหรืออย่างไม่ค่อยละเอียดเนี่ยนะว่าควรตามแบบของท่านหรือหรือรัดก็ได้เพราะถ้าจะรัดแบบท่านอาชิตามานพท่านก็บอกว่าเออทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกท่านฟังแค่นี้ท่านก็เข้าใจแล้วเนี่ยนะทั้งหมดที่กล่าวไปนะท่านใช้ศัพท์เดียวทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกฟังเลยเข้าใจหมดเลย น, นะสตันหากระแสคือตันหาสติเป็นเครื่องกั้นปัญญาเป็นเครื่องตัดอันนี้ท่านก็ฟังแล้วเข้าใจเลย ว, วิญญาณ น, นามรูปจะดับไม่มีส่วนเหลือเพราะวิญญาณดับฟังและบรรลุได้เลยแต่ของเรามันไม่ใช่กลุ่มนั้นเี้ยเมื่อไม่ใช่กลุ่มนั้นเนี่ยนะฟังแบบปานกลางนะแบบระดับขยายก็ฟังมาตั้งเยอะและ้วทีนี้ฟังแบบละเอียดก็หลายละเอียดมาแล้วก็ยังไม่ค่อยเท่าไรเลยนะก็แสดงว่าต้องแบบแค่ว่าเก่งกลุ่มสุดๆอยู่เหมือนกันนนะก็คิดดูนะเรียนแมก้กระทั่งวิธีฟัง <laughs> ก็หมายความว่าเราเอาปียรูปสาตาลูปมาถูกไหมครับเจมปาเอาปีญลูปสาตรูปเป็นรูปที่เรามีอ่ากันหาทิฏฐิในนั้นยึดมั่นในนั้นเนี่ยมากที่สุดเนี่ยเอามาจเจมปาเอามามาพูดง่ายๆว่าอันนี้คือทําปริญญาละอย่างเช่นในเดี๋ยวยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยนะเบืพื้นฐานการพิจารณาผมเนี่ยอ่า อ, อย่างผมเนี่ยว่ารวมๆแล้วก็มีรูปเท่าไหร่อ่า น, นะเรียนแบบควมีปริยัดเลยนะสี่สิบสี่รูปคือ กายทัศกาลสิบภาวะทัศกะลสิบจิตตาวินิโพุทรูปแปดอุตุวินิโพคทโรูปแปดหานวินิโพุทรูปแปดก็เท่ากับสี่สิบสี่รูปทีนี้ผมอ่ากล่าวโดยอับทาเห็นไหมผมอดีตชาติมีใครติดมาบ้างไม่มีเพราะฉะนั้นก็ของอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตเอาไหมของชาตินี้ไปไว้ชาติหน้าไม่เอาอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จําหมดในชาตินี้ไม่ถึง ชาติหน้าเนี่ยแหละผมนะนี่กล่าวโดยอัธยาถ้าโดยสมัยโดยสมัยนี้เอาตามอะไรดีช่วงแต่ละปีของช่วงแต่ละสามสิบปีของผมก็ได้แต่ละช่วงก็ได้สามสิบปีแรกทรงผมเป็นยังไงสามสิบปีที่สองสามสิบปีที่3ามเนี่ยนะจนถึงเก้าสิบปีเนี่ยนะแทาจะไม่เหลือจะเหลือทรงเดียว อันนี้โดยสมัยเนี่ยนะทุกๆสามสิบปีทุกๆอะไรยี่สิบปีหรือทุกๆสิบปีทุกๆห้าปีทุกๆสองปีทุกๆหนึ่งปีทุกๆหกเดือนแล้วเปลี่ยนทรงทีละกี่เดือน Weber ทรงหนึ่งกี่เดือนเนี่ยนั่ก็ทรงก่อนนี่หมดไปแล้วเหลือทรงนีง้แล้วทรงหน้ า, นาเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอีกแล้วอย่างงี้ยนะก็เปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็กลุ่มโดยสมัยทั้งนั้ น, นก็โดยสมัย ถ้าโดยสันตติล่ะสันตติก็กรรมก็ถือว่าสันตติเดียวใช่ไหมถ้ากรรมมัชรูปจิตตชรูปอุตูชรูปและอ่านชรูปอันนีกปริญญามาพิจารณาเป็นอย่างมาก น, นะนะตอนที่ดีใจมีผลต่อผมอย่างไรตอนที่เสียใจมากๆเครียดมากๆมีผลต่อผมอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็กลุ่ม จตชโลภอุตุชโลภถ้าตากแดดมากๆกับอยู่ในร่มมากๆหรือก้อนอบผมมากๆก็เป็นยังไงก็เป็นอุตุชโลภถ้าเป็นอาหารชโลภอาหารอะไรบำรุงผมบ้างก็พิจารณาไปตามนั้นอันนี้ก็เรียกว่าโดยสัน ต, ติถ้าละเอียดก็โดยขณะขณะไปเนี่ยนะแต่โดยขณะนี้สํนนาคัญก็คือไอหยับหยาบนี่ให้มันเห็นบ้างเถอะเนี่ยนะมันจะลงอุปาทาถีติพังฆะอย่างเดียวเนี่ยนะก็ถามว่าถ้าทำได้ก็ดี ถ้าทำไม่ได้นะ่าต้องฝึกคิดไอ้ที่ห ย, ยาบๆก็มาก่อนเอ่อถ้าว่าโดยวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไปบ่อยๆ อ, อีกครั้งหนึ่งว่าท่านจงตัดอะไรในผมที่เป็นอดีตเถอะกล่าวว่าเคยมีสรงผมงามขนาดไหนก็อย่าไปเปลิดเพลิน ล, ละห้อยถึงเคยงามเนี่ยนะแล้วก็อย่าหวังว่าชาติหน้าจะมีผมทรงนั้นทรงนั้นถรงนั้นก็อย่าไปตั้งความปรารถนาแบบนั้นผมที่มีอยู่นี่ก็จงตัดฉันทราค่าเสถียรเนี่ยนะผมเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะทำไม่เที่ยงเ่ี่ย สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตัวผมเองก็ทุกข์ด้วยนะแล้วก็บริหารผมเนี่ยทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะต้องชีวิตเราอยู่กับผมเนี่ยวันกี่ชั่วงเออชาติหนึ่งกี่ชั่วโมงเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยสะผมวีผมแต่งผมโกนผมเนี่ยอยู่แถนนั้นนะนนะเลือดอาบเกือบเลถ้ามือใหม่มาโกนให้เนี่ยเลือดอาบเลยแล้วเดือดร้อนอยู่กับผมนี่แหละเนี่ยนะ ขนาดเดือนละครั้งนี่กันก็ถือว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอยู่กับผมนี่ไม่ใช่น้อยเนะี่ยถามว่าทำไมต้องเอาผมมาพิจารณาบอกว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสเกิดจากวัตถุใดต้องเอาวัตถุนั้นมาพิจารณาถามว่าถ้าไมพ่พิจารณาระวังเกิดอยู่บนผมน่ออะไรเกิดบนผมมาเดือรนะ้อนก็คิดดูนะผู้ที่ติดในผมจนได้เกิดในผมจริงๆก็มีไม่ใช่ไม่มี ก็มาเอาสิ be ่งเหล่าน right ี้มาพิจารณาไม่เที่ยงเพราะตัวในการสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระสาระคือไม่มีความเที่ยงเป็นสาระไม่มีความสุขเป็นสาระไม่มีอัตตาแท้จริงเป็นสาระเขาบอกว่าในบรรดาขนสัตว์ทุกชนิดนะผมคนเนี่ยหยาบที่สุดเลวที่สุดเขาบอกว่าถ้าเอามาทําเป็นเครื่องนุ่งห่มนะก็มีเอา รับที่เดียร์ธีที่อินเดียนี่เขาเอาเส้นผมคนเนี่ยมาทําเป็นผ้านุ่งหม่มเรียกว่ากลุมอาชิตะเกสากําพลเนี่ยนะกลุ่มนี้จะเอาผมคนมาทําเป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นผ้าชั้นเลวที่สุดก็บอกเวลาร้อนเนี่ยร้อนที่สุดเวลาหน้าหนาวห่มไม่ได้ช่วยให้อุ่นขึ้นเลยหนาวที่สุดอีกเหมือนกันสัมผัสก็หยาบ ก, กลิ่นก็เหม็นทั้งวัง น, นกันก็อย่าไปลองกันแล้วกัน น, นะครัพระพิสูจน์ท่านพระ อ, องค์ห้ามนะไม่ให้แต่ว่ากลุ่มที่เอาผมเป็นเครื่องนุ่งห่มก็มี เขาถือว่าจับบริสุทธิ์ได้ด้วยเครื่องนุ่งห่มคือผมเป็นต้นเนี่ยเป็นศีลเป็นวัดของเขาเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมไน้่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏนะเขาถือว่าการเอาผมเป็นต้นมานุ่งห่มจะทำให้บริสุทธิ์จากกิเลสขณะเดียวกันผมเป็นที่ตั้งแห่งตานหาอันนี้ก็ปกติใช่ไหมผมเป็นที่ตั้งแห่งมานะได้ไหมผมเราสวยน้อยกว่าคนอื่นก็น้อยใจนะผมเราดีกว่าคนอื่นก็ ฟูขึ้นเออก็เท่าเกันนั่นแหละมันแต่เหมือนกันก็คือร่วงโรยเหมือนกันหมดนะเชื่อเถอะนี่นี่ยการพิจารณาเนี่ยนะสำคัญเนี่ยวัตถุของอนุออวัตถุประสงค์ของอนุปัสนาเนี่ยนะการตามเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยถามว่าต้องแค่ไหนก็คู่ควรแก่การเบื่อหน่ายในผมนะทิ้งผมอันนี้แล้วก็ไม่ต้องการถือเอาผมอันใหม่อีกแล้วเนี่ยนี่ย นั่นคือที่สุดแห่งการการเจริญเนี่ยนะที่สุดแห่งการเจริญอยู่ตรงนั้นอั้นถ้าหากว่าการพิจารณานะในในหลายแนวเราก็พิจารณากันมาตั้งเยอะแล้วแต่ถามว่าเบื่อหน่ายหรือยังถ้ายังก็ต้องลงละเอียดลึกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนกว่าเรียกว่าไม่มีนิมิตแห่งราคะอยู่ในผมเลยไม่มีนิมิตแห่งตันหาอยู่ในผมเลยไม่มีนิมิตแห่งมานะอยู่ในผมเลยและไม่มีนิมิตแห่งทิฏฐิอยู่ในเส้นผมเลยนะจนกว่าพิจารณาผมแล้วก็ ทุกวันหลีกออกจากผมที่เป็นสังฆะน้อมใจไปสู่อสังฆะได้เนะนี่ยนะเพราะก็อย่างที่ยอมถามว่าพิจารณาเกษาเกสาสมุ ท, ทยัยเกษานิโรธเกษานิโรธถ้าขา ม, มินีปฏิปทาอย่างไรอันนี้ก็คงแสดงได้แต่พอคร่าวๆจนควับ